เรื่องสุดท้ายประจำวันนี้นะคะบีขออนุญาตนามาจากเว็บไซต์พันทิปค่ะเป็นเรื่องที่เจ้าของกระทู้ที่ใช้ชื่อนะคะว่าลอยชินนะคะยังไงถ้าบีอ่านผิดก็ขออภัยอย่างสูงด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนซึ่งก็อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละครับแต่ว่าเป็นต่างอำเภอ ชีวิตความเป็นอยู่แถวนั้นยังไม่มีวัตถุอะไรมากมายเท่าไหร่บ้านนี้ก็ยังเป็นบ้านสวนที่ใครๆต่างก็ปลูกนั่นปลูกนี่ไว้แจกจ่ายไว้แลกกันกินไม่ได้เน้นขายเป็นหลักผู้คนแถวนั้นก็ยังคงใช้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงชีพแบบวิถีชีวิตบ้านๆสบายๆแบบที่เคยเป็นมาจากรุ่นสู่รุ่น ผมออกจากตัวเมืองเวลาประมาณเที่ยงเพราะว่าจะไปแวะกินไก่ถังกันไม่ได้กินนานละไปถึงบ้านเพื่อนก็บ่ายบ่แล้วครับผมเดินทางไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เอารถกระบะของมันไปพอไปถึงบ้านทางเข้าก็เปลี่ยวหน่อย แต่และบ้านนี่ห่างกันพอสมควรเพราะว่าต่างคนต่างทําสวนแต่ว่าที่เห็นและอุ่นใจก็คือไม่มีบ้านไหนที่มีรั้วเลยครับส่วนตัวนี่คิดว่ามันแสดงถึงความไว้วางใจต่อกันว่าไม่ทาร้ายแล้วก็ไม่ขโมยกันแน่นอนบ้านเพื่อนผมเนี่ยเป็นบ้านแบบคนสมัยก่อนคือข้างล่างนี่มันเป็นใต้ถุนโล่งสูงมีแคร่มีเปลอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็ตากอะไรต่อมีอะไรไว้เต็มหมด ไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อแดดเดียวปลาเกลือกระเทียมซึ่งบรรยากาศนี่มันเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆมากมีบันไดสูงยาวขึ้นไปข้างบนตัวบ้านแต่ว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านคนมีตังนะคือเป็นไม้อย่างดีเลยคล้ายกับเรือนไทยเลย ขึ้นไปเป็นประตูบ้านไม้แบบผลักสองบานผ่านประตูบ้านไปจะเป็นชาบ้านโล่งๆมีโต๊ะกินข้าวที่นั่งกับพื้นมีทีวีแล้วก็เป็นทางเดินไปตามห้องต่างๆใหญ่พอสมควรนะครับไม้ก็ลื่นๆมันๆหลังจากมาถึงก็เอาของไปเก็บแล้วก็ทักทายญาติพี่น้องทุกคนพ่อของเพื่อนเจ้าของบ้านเนี่ยก็เสนอว่า เฮ้ย hey, ไปที่ท่าน้ำท้ายสวนไม้วิวมันดีนะช่วงนั้นในีใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยอากาศดีมากถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีจริงๆแทบไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือจังหวัดเดียวกับที่ผมอาศัยอยู่เพราะว่ามันต่างกันเหลือเกินกับชีวิตในเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายกับป่าปูนแล้วก็ดาวนีออนท้ายสวนของมันนี่ก็ไม่ไกลพอควรนะพ่อแม่เพื่อนก็ขนของสดพวกปลาหมูไก่เอามาใส่ให้ เพราะกะว่าจะไปทำอาหารกินกันที่ริมน้ำเลยไหนไหนก็มาละนั่งรถอแตันไปเลยและกันได้บรรยากาศมากพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมยิ้มไม่หุบเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ไฝ่ฝันเป็นแม่น้ำสายเล็กๆผ่านที่ริมน้ำเนี่ยมันก็จะมีสาราใหญ่ บ้านมันมาสร้างไว้มีบันไดลงไปจนถึงท่าน้ำสามารถเอาเท้าแขว่งน้ำเล่นได้สบายมีเรือพายอย่างกับย้อนไปอยู่ในยุคขวัญเรียมอะไรประมาณนั้นซึ่งน้ำเนี่ยก็เป็นน้ำที่ใสแล้วก็สวยดีด้วยแต่ถึงจะไม่ได้ใสปิ้งอะไรอย่างนี้แต่ก็ใสสะอาดแบบเป็นธรรมชาติมาก ผมนี่โดนเป็นคนทํากับข้าวเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ทําเป็นก็มันทําทุกอย่างแล้วนี่ปลาเผาไก่ย่างหมูย่างลาบยำข้าวเหนียวนึ่งกระติบนึงที่พ่อเนี่ยประเคนมาให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มสั่งสรค์เล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้รวมตัวกันมานานแล้วพวกผมก็ทําอาหารกินกันคุยกันไปเรื่อยๆโดดน้ําเล่นกันบ้างพายเรือไปเด็ดมะม่วงชาวบ้านมาทําลาบปลาอร่อยปากกันเลยทีเดียว จนเวลาผ่านไปค่ำมืดพวกผมก็ยังไม่มีความคิดว่าจะกลับบ้านกันเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยก็มีไฟฟ้าไม่มืดมากแล้วเพื่อนก็บอกว่ากลางคืนที่นี่นะมีหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยก็เลยว่าจะรอดูกันซึ่งเป็นเวลาที่มีความสุขมากเลยครับลืมความเหนื่อยล้าลืมปัญหาวุ่นวายในเมืองไปหมดเรื่องแย่ๆที่เคยเจอเหมือนเป็นแค่ความฝันผมคิดว่ามันคงเป็นวันหยุดที่ดีที่สุดอีกหนึ่งครั้งในชีวิตของผมแต่ว่ามันเป็นเรื่อง เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นมันก็เกิดขึ้นจนได้เพื่อนได้รับสายโทรศัพท์จากพ่อบอกว่าให้รีบกลับมาบ้านหน่อยมาเตรียมของกันเพราะว่าน้าสาวของมันใกล้จะคลอดแล้วละนะคะซึ่งก็ตกใจรีบเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันตอนนั้นในใจก็ตื่นเต้นเพราะถามไปแล้วแถวบ้านเนี่ยยังมีความเชื่อว่าคลอดกันเองได้โดยมีหมอตำแยจัดการให้ไม่ไปโรงพยาบาลมันก็เกิดมาแบบนี้แล้วหมอตำแยก็เก่งมาก ดูแค่อาการก็พอจะรู้ว่าคลอดแล้วผมไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้อะไรแบบนี้เคยเห็นแต่ในละครก็เลยตื่นเต้นแต่ก็กลัวเพราะว่าในใจนี้ยังเชื่อว่าโรงพยาบาลได้ดีที่สุดแต่พอไปถึงบ้านก็เห็นพ่อของแม่อ่าพ่อแม่ของเพื่อนเนี่ยคือนั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านพร้อมกับชาวบ้านแถวนั้นอีกเกือบ1ิบคนตรงกลางก็จะมียายแก่แ ก, กับคุณตาใส่ชุดขาวยืนอยู่ซึ่งตอนนั้นคิดว่านี่คงเป็นความอบอุ่นของเพื่อนบ้าน น้ำใจที่มีให้กันและกันแต่พอเข้าไปใกล้จึงสังเกตเห็นสีหน้า่องแต่ละคนว่ากำลังเคร่งเครียดกันก็เกิดความงงก็เลยถามพ่อไปบอกพ่อเป็นไงบ้างอันนี้คือเพื่อนเพื่อนของเจ้าของเรื่องนี่ถามเนะคะเพื่อนเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ถามเพราะว่าสงสัยกับสีหน้าเหมือนกันพ่อกระตอบมาบอกเดี๋ยวค่อยคุยพาเพื่อนเองไปอาบน้าอาบท่านอนไปพ่อเพื่อนตอบมาแบบตั้งใจว่าไม่ให้พวกเราเนี่ยเข้าไปยุ่งแน่นอนเลยเพื่อนก็นาทาง ให้ทุกคนเนี่ยคือเดินตามไปแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านไปทางอาบน้ําไปบอกห้องอาบน้ำให้แล้วตัวของเพื่อนเองก็ลงมาคุยกับพ่อกับญาติพี่น้องข้างล่างเจ้าของเรื่องแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็อาบน้ํากันจนเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเจอเพื่อนนั่งรออยู่ที่ชานกลางบ้านเจ้าของบ้านที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็เลยบอกว่า พวกมึงนอนกันก่อนเลยนะเดี๋ยวกูจะไปช่วยข้างล่างหน่อยรีบๆนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องให้ทําด้วยทุกคนก็งงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเพียด้วยการเดินทางแล้วก็การเที่ยวสะเพรินเลยก็เลยยอมไปนอนแต่โดยดีทั้งทั้งคืนที่หลับเนี่ยได้ยินเสียงคนข้างล่างใต้ถุนคุยกันทั้งคืนโวยวายด้วยเพราะเมาคิดว่าเออคงฉลองกันเพราะว่ามีเด็กเกิด แต่ก็มีเสียงที่ไม่เข้าพวกอยู่คือเป็นเสียงเหลาไม้ผ่าไม้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะจนตอนเช้าเพื่อนมาปลูกแต่เช้าพาไปตักบาตแต่เช้าแล้วพ่อเพื่อนก็นิมนต์พระท่านมาในบ้านก็เห็นคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งพระท่านก็เริ่มโยงสายศีลไปรอบๆ บ, บ้านแล้วก็ทำน้ำมนต์โดยใช้กิ่งไม้ยมเนี่ยพรมไปทั่วทั้งบ้านตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจนะเพราะคิดว่าเออคงเป็นไม้มงคลรับขวัญเฉยๆ จนสายๆค่ะเจ้าของเรื่องแล้วก็เพื่อนๆนี่ไปอาบน้ําอะไรต่อมีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยจนมาถึงคิวคิวสิ่งที่เพื่อนบอกไว้เมื่อคืนบอกว่าไปพร้อมอยังเจ้าของบ้านที่เป็นเป็นเป็นเพื่อนกันกับคนเล่าเนี่ยนะคะถามก็เลยถามไปบอกพร้อมอะไรวะไปไหนถามเพื่อนไปเพื่อนก็ตอบกลับมาบอกว่าไปตัดไม้ไผ่ด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะตัดไม้ไผ่มาทําอะไรก็เลยถามไปบอกเอามาทําอะไร พอ ถ, อ, นะอถามไปอย่างนั้นแต่ก็เต็มใจเต็มใจไปนะคือถามไปอย่างงั้นแหละคิดว่าเออน่าจะสนุกดีก็เลยตอบไปบอกว่าเอามากันกระสือสิว่าเด็กจะคลอดคุณผู้ฟังคะเจ้าของเรื่องบอกเท่านั้นล้วครับผมกับเพื่อนอีกคนนี้อึ้งไปเลยไม่ได้เตรียมใจว่าจะมาเจออะไรพวกนี้มาเที่ยวมาพักผ่อนแต่ก็ต้องไปไม่งั้นโดนไล่กลับบ้านแนะ่ซึ่งมันถือคติว่าคนไม่ทํางานก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีข้าวกินภัยที่ตัดมานั้น จะมีทั้งลำยาวๆตรงๆแล้วก็แบบที่มีกิ่งเล็กกิ่งน้อยอยู่ด้วยบางบางต้นตัดมาทั้งต้นไม่มีการริดกิ่งริดใบอย่างใดมีชาวบ้านมาช่วยกันหลายคนทุกคนดูชำนาญมากเหมือนทำบ่อยนะคะแทนที่จะอุ่นใจแต่มันกลับวิววิวแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ด้วยความสงสัยก็เลยถามเพื่อนว่าเออทาไมทาไปทาไมแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อหรือว่ายังไงก็ได้คาตอบมาบอกว่า มันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่ว่าแถวบ้านนี่มันมีอยู่จริงมีมาตั้งแต่รุ่นต้นตระกูลและไม่เคยหายไปไหนเลยเป็นกระสือชอบออกหากินแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมาให้เห็นแล้วมีบางทีนะไก่ในเล้าชาวบ้านนี่ตายกันเกลื่อนเลยหรืออะไรพวกนี้บ้างแต่ที่จะมาทุกทีเลยคือเวลาที่มีเด็กคลอดนี่แหละขอขยายความนิดนึงตามความเชื่อของคนไทยโบราณนะคะคุณผู้ฟัง กระสือคือสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสืบทอดกันมาเป็นสายเลือดเป็นตระกูลหรือเกิดจากการที่มีการผิดครูลบหลู่วิชาหรือที่เรียกว่าออกแดงค่ะหรือการที่เลี้ยงไว้แล้วไม่ดูแลจนเข้าตัวคล้ายกันกับปอบ กระสือมักจะสิงสู่อยู่กับผู้หญิงแก่บ้างสาวบ้างแต่ว่าคนที่โดนสิงจะมีอาการแปลกนะคือจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่พูดจาตาแข็งกลางวันเก็บตัวกลางคืนออกหากินเดินไปเดินมาแต่ถ้าเป็นหญิงสาวนะคะเวลากลางคืนนี่จะสวยมากสวยกว่าตอนกลางวันค่ะปากจะแดงเกือบตลอดโดยกระสือมักจะออกหากินกันในเวลากลางคืนบ้างก็ว่าไปหาสัตว์หาอาะไรสดสดดิบๆบกิน บ้านก็ว่าไปหาสิ่งที่สกรปรกกินเช่นอุจจาระแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เล่าต่อกันมาอย่างชัดเจนคือมันจะไปบ้านที่มีเด็กเกิดใหม่มันจะไปรอกินน้ำคร่ากินรกเด็กถ้าแม่หรือว่าเด็กร่างกายไม่แข็งแรงก็จะถูกกินตายไปด้วยนะคะทีนี้วันนั้นทั้งวันนะคะพวกผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเหลาไม้ไผ่เป็นไม้ลวก ที่สารเป็นตารางสี่เหลี่ยมคล้ายกับตาข่ายแต่ขอบไม่ไผ่แต่ละอันเนี่ยจะเหลาไว้คมมากคมชนิดที่ว่ามือเราเนี่ยถ้าจับไม่ดีก็ได้เลือดแน่นอนทําความสูงความยาวปักตั้งไว้กับตอไม้รอบบ้านทําเป็นรัว้วส่วนต้นไผ่ที่มีกิ่งเยอะๆนึกออกไมหมฮะว่าไผ่มันจะแหลมๆแข็งๆคล้ายกับหนามเอาใบออกหมดเหลือไว้แต่ตัวกิ่งเล็กๆแหลมๆต้องตัดมาสูงๆนะให้ความสูงเลยหน้าต่างบ้าน ตั้งไวรอบบ้านเลยชาวบ้านรอบๆนี่ก็มาช่วยกันอย่างดีตามกิ่งไม้ไผ่บางอันนี่ก็เอาพริกเอากระเทียมแห้งไปห้อยไวตามกิ่งด้วยหลังจากเสร็จสร์เรียบร้อยก็ไปนิมนต์พระมาวนสายสินตามไม้ไผ่อีกรอบหนึ่งจากการสอบถามว่าทำไปทำไมก็ได้คำตอบมาบอกว่ามันเป็นความเชื่อเชื่อว่าไม้ไผ่แหลมๆคมๆเนี่ยจะไปเกี่ยวจะไปบาดไส้บาดพุงกระสือมันจะไม่กล้าเข้ามายุ่งในบ้านหลังนั้น ทีนี้หลังจากเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านตัวเองทุกบ้านก็ปิดประตูหน้าต่างสนิทหมดเป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะทุกคนถูกไล่ขึ้นไปบนบ้านแม้แต่หมากับแมวก็ต้องขึ้นไปด้วยนะตอนนั้นในบ้านเนี่ยมีเจ้าของเรื่องมีเพื่อนสองคนมีพ่อมีแม่ของเพื่อนมีน้าสามีของน้ามีคุณยายหมอตำยาอีกคนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากล่ะทีนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้กลัวก็กลัว คิดว่าจะได้เห็นได้ดูอะไรที่ไม่เคยเห็นแต่ปรากฏว่าผิดคาดค่ะพวกเราสามคนนี่โดนไล่เข้าห้องไม่ให้ออกมาดูโดยหมอตำแยกับน้าสาวที่จะคลอดเนี่ยจะอยู่กลางบ้านเลยทุกคนคงวุ่นวายกันมากจะมีแต่พวกพวกเจ้าของเรื่องนี่แหละนะคะที่ทำได้แค่นอนดูทีวีแล้วก็เล่นคอมอยู่ในห้องจนเวลาผ่านไปประมาณ5้ทุ่มก็ได้ยินเสียงอู้แวอู้แวของเด็กแรกเกิดคือแน่นอนว่าเกิดมาแล้วแน่นอน พ่อเพื่อนก็เข้าไปเรียกให้ไปดูหน้าหลานทุกคนก็เลยเฮโลตามกันไปด้วยได้เห็นตอนยายเอาน้ําอุ่นลางหน้าอาบน้าให้เด็กพอดีเพิ่งเคยเห็นกับตานี่แหละส่วนคุณน้านั้นก็ยิ้มกอดกับสามีคล้ายกับว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไรแล้วแล้วทุกคนก็เข้ามาในห้องนอนเพราะว่าต้องการให้คุณาน้ากับเด็กน้อยเนี่ยได้พักผ่อนในวันที่เหนื่อยและก็สําคัญที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ก่อนที่ทุกคนจะนอนคุณยายหมอตําแยมาเคาะห้องและพูดว่า ให้อยู่ในห้องนี้จนถึงเช้านะห้ามออกไปไหนเด็ดขาดใครเคาะใครมาเรียกก็ห้ามเปิดเข้าใจไหมเด็กๆพูดยิ้มๆนะคะแต่ฟังแล้วยิ้มตามยายไม่ออกเลยล่ะค่ะทุกคนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยเสียงของหมาแมวที่เห่าอยู่บนบ้านเสียงดังมากทั้งเหา่าทั้งขู่เหมือนมันจะกัดใครอย่างนั้นแหละเหาแบบเอาเป็นเอาตายเลยเสียงของน้องที่เกิดใหม่ก็ร้องดังขึ้นมาอีก ทุกคนก็เริ่มขยับมาชิดกันมองหน้ากันเลิกลักเ ล, ลิกลักแบบว่าคืนนี้ใครจะนอนลงวะอะไรประมาณนี้ทุกคนที่อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยอยู่ภักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆค่ะคุณผู้ฟังเสียงหมาเสียงแมวที่เห่าเนี่ก็หยุดไปกลายเป็นเสียงหมาร้องร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนโดนใครทําร้ายพวกทุกพวกทุกคนที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยตกใจมากกอดกันกลมเลยแล้วก็ได้ยินเสียงหมามันนอนร้องยิงยิงง้งอยู่หน้าประตูแต่ ไม่มีใครกล้าเปิดจังหวะนั้นนะเสียงหมามันยังไม่ทันจางก็มีเสียงดังกุกกักกุกกักมาจากใต้ถุนบ้านเพราะว่าเสียงมันดังจากพื้นบ้านไงก็เลยได้ยินชัดทุกคนก็ยิ่งกลัวกันเข้าไปอีกอะไรเป็นอะไรไม่รู้ล่ะฮะตอนนั้นกลัวไว้ก่อนถ้าเป็นคนเดี๋ยวค่อยด่าดังอยู่หลายทีเหมือนกันดังปุ๊กปุ๊กปุ๊กอย่างเงี้ยคือคราวนี้มันเป็นเสียงเหมือนคนปาอะไรใส่บ้านด้วยความที่เป็นบ้านไม้เสียงมันจะก้องมาก แต่ก็แปลกนะคุณผู้ฟังแปลกตรงที่ว่ามันไม่ได้ดังที่เดียวมันดังไปรอบๆ บ, บ้านไล่วนไปรอบรอ บ, บ้านไม่ได้ดังพร้อมกันนะค่อยๆ ย, ย, ย้ายไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปเฮ้ย hey, มันหมดหรือยังวะเพื่อนที่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือถามกันคุยกันมึงพา ก, กูมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยจากในเมืองเนี่ยกูก็อยู่ดีอยู่แล้วทําไมกูต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหลุดปากพูดค่ะผมกับไอ้เพื่อนเจ้าของบ้านนี่แทบจะบีบคอไปเลย ไอ้ตัวคนพูดนี่น้ำตาคลอไปละด้วยความกลัวมีคนอยู่ใช่ไหมเปิดบ้านให้หน่อยสิมีของมาฝากเสียงพูดขึ้นมานี่เป็นเสียงยายแก่น ะ, ะคะคุณผู้ฟังดังลอยมากับลมโดยที่จับทิศทางไม่ได้ก็นึกว่าหูตัวเองนี่หูฝาดหูแววหรือว่าคิดไปเองหลอนไปเองแต่ว่าก็ได้คําตอบทันทีว่าผมไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าไอ้เพื่อนอีก 2- อสามคนเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยมันทําตาโตแบบตกใจมาก พร้อมกับน้ำตาไหลออกมาสั่นกันแล้วละ่ะตอนนั้นคือมันน่ากลัวจริงๆ จ, จากนั้นความเงียบก็เข้าปกคลุมไปทั่วบ้านเหลือไว้เพียงแค่เสียงเด็กน้อยที่ร้องจนน่าสงสารกลัวว่าคอเล็กๆนั้นเนี่ยมันจะแตกออกร้องเหมือนมีใครมาทำร้ายมาฆ่าอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าพอจะออกไปดูอีกอย่างหนึ่งคือที่เด็กนอนนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่ทุกคนเฝ้าอยู่แล้ว แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาคือเสียงหมาน้อยที่นอนอยู่หน้าห้องตอนนี้มันหอนแล้วค่ะหอนได้โหยหวนมากหอนได้อารมณ์จริงๆแค่นึกนี่ก็ขนลุกและแอบระแวงว่ารอบๆห้องมันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหลังห้องที่นอนอยู่นี่มันปิดทุ่งนาคือหอนอยู่อย่างนั้นแหละหอนอยู่ภาคหนึ่งจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงค่ะเพื่อนของเจ้าของเรื่องก็คือลูกของเจ้าของบ้านนี่แหละก็สะดุง้ง แล้วก็ตีตีเจ้าของเรื่องเพื่อเรียกแบบตกใจมากๆอะไรตีทำไมก็ถามไปแบบอารมณ์นั้นมึงยังจะแกล้งกันอีกเหรอประมาณนี้คนที่เป็นลูกเจ้าของบ้านก็คือเป็นเพื่อนของเจ้าของเรื่องนี่ก็เลยบอกว่ากูรู้สึกว่าห้องมันเย็นขึ้นปะวะเหมือนมีลมด้วยและก็จริงอย่างที่ว่าค่ะคุณผู้ฟังห้องมันเย็นจริงๆคือมันเหมือนมีลมอ่อนๆพัดอยู่ทุกคนก็เลยช่วยกันกวาดสายตามองไปรอบๆจนได้คาตอบ หน้าต่างห้องที่ปิดไว้มันปิดไม่สนิททันทีที่สายตาทั้งสามคู่มองไปที่หน้าต่างค่ะภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนมันสวยงามมากจริงๆนะดาวบนฟ้านี่ทอแสงระยิบระยับเลยมีเมฆกระจายตัวกันพร้อมกับแสงจันทร์นวลมากมันเป็นภาพที่สวยงามมากและอยากจดจำไปอีกนานถ้าที่มุมหน้าต่างนั้นไม่ปรากฏภาพของศีสะผู้หญิงแก่ผมหยิก ง, งอกทั้งหัวอยู่ที่ตรงนั้นด้วย ใบหน้ามันเหี่ยวย่นดวงตาที่ไรวิแววผมหยิกยาวปลิวไปตามลมยังคงชัดเจนในใจความในความทรงจำของทุกคนบ้านมันสูงมากริมหน้าต่างเนี่ยไม่มีทางเดินเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมีคนยืนอยู่ที่ริมฝีปากมีคราบอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีใครสนใจละแหกปากร้องโวยวายกันออกมานะคะทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในห้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแท้ก็ตาม แหกปากร้องกันไปกอดกันแน่นหลับตาอยู่อย่างนั้นหนูหนูเปิดให้ยายหน่อยสิเสียงแหกผ้าของยญิงแก่ยังคงลอยมากับลมไม่มีคำตอบใดๆค่ะที่จะตอบรับสัเสียงนั้นนอกจากเสียงร้องของเด็กวัยรุ่นสามคนที่กอดกันกลมแต่ก็เหมือนกับโชคช่วยจริงๆเพราะว่าได้ยินเสียงไก่ขันดังมาจากได้ถุนบ้านแล้วบ้านรอบๆเนี่ย ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณว่าราตรีอันยาวนั้นได้ผ่านไปแล้วแสงอาทิตย์อ่อนๆก็จะเริ่มทอทอแสงบนขอบฟ้าไกลๆนะคะเจ้าของเรื่องเองก็เลยบอกว่าผมค่อยกล้าลืมตาขึ้นพร้อมกับภาพที่เห็นคือศีรษะของหญิงแก่นั้นลอยห่างออกไปจากตัวบ้านมีแสงสีแดงๆมัวๆอยู่รอบๆก็ไม่ทราบว่าเป็นตับไตไส้พุงหรืออะไรอย่างไรที่เขาเล่ากันหรือไม่เพราะว่าน้าในตา ม, มันเต็มไปหมดภาพมัวไปหมด แต่ว่ายืนยันว่าลอยไปจริงๆหลังจากนั้นผู้ใหญ่ในบ้านก็เรียกว่า่าก็มาเรียกในห้องถามว่าเจออะไรร้องกันลั่นบ้านเลยพวกผมก็เล่าไปตามความจริงแล้วก็ได้คำตอบว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยมีบ้านหนึ่งเพิ่งคลอดหลานก็โดนแบบนี้เหมือนกันทุกคนกำลังตามหาร่างที่มันสิงอยู่แต่ว่าหมอประจำหมู่บ้านหมายถึงหมอเป่าหมอวิชานะคะบอกว่ามันเป็นกระสือต่างถิ่นเป็นขาจรผ่านมา กระสือที่อยู่ในหมู่บ้านที่เจอกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรานั้นเนี่ยมันแก่มากแล้วไม่มีแรงแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวอื่นเย็นวันนั้นก็เลยลากันกลับที่ตัวเมืองทันทีเลยนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่เคยลืมอยากจะบอกว่าอะไรหาที่คนโบราณเขาเล่ากันแบบนั้นแบบนี้ทางที่ดีอย่าไปลบหลู่กันเลย บางอย่างอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ทุกอย่างก็มกีก็เพราะว่าความหวังดีต่อลูกหลานอย่าไปกล่าวหากันเลยเนาะเรื่องเล่าบางเรื่องนะคะที่ได้ยินได้ฟังมาเชื่อได้แต่ไม่ใช่งมงายนะคะซึ่งเจ้าของเรื่องเรื่องนี้เองนะคะก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆนะ จนมันเจอกันจังๆนี่แหละครับยังไงก็ขอย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดที่เล่ามาทุกกระทู้ไม่ใช่เรื่องแต่งและมันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างมากโปรดใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูง หากใครมีข้อสงสัยอยากถามอะไรก็ยินดีตอบแต่ขอร้องว่าอย่าโจมตีกันเลยครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรทั้งสิน้นขอบคุณที่ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าของกระทูลอยชินนะคะที่เรานำเรื่องของเจ้าของกระทูนี้เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันทาง YouTube c h anel พระเจอผีนะคะอละัะคาะหมดเวลาของ B ีสาหรับคลิปนี้แล้ว อย่าลืมติดตามได้ใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการหาเรื่องมาเล่าต่อไปในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้บีและก็ทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ